สมัยก่อนตอนอยู่พัทลุงนั้นผมเป็นคนมีเพื่อนมากเพราะเป็นเด็กกิจกรรมทำให้มีโอกาสพบเจอเด็กจากโรงเรียนอื่นๆทั้งจากทั่วพัทลุงเองจากตรังสตูนนครศรีสงขลาพอโตมาต่างคนต่างมีงานทำก็ยังคงติดต่อกันอยู่พอว่าง ก็นัดรวมกลุ่มกันไปนั่งกินตามร้านอาหารบ้างริมทะเลบ้างปูเสือนั่งกินกันมืดๆบ้างแน่ละพอรวมกันทีหนึ่งก็ต้องมีเรื่องคุยกันบ้างเรื่องสาระบ้างไรสาระบ้างไปตามวัยแต่ที่แน่ๆเรื่องผีๆมันต้องมาเมื่อบรรยากาศมันมืดริมทะเลเป็นใจและนี่ก็คือเรื่องราวของเพื่อนสาวคนหนึ่ง ที่เราประสบการณ์ความหลอนของถิ่นบ้านเกิดของเธอผมจึงนำมาเล่าต่อในวงกว้างอีกทอดหนึ่งกี้เธอเป็นคนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงบ้านอยู่ที่บ้านปากคลองหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้กับวัดเขาอ้อหลายคนอาจจะร้องอ๋อเพราะวัดเขาอ้อนี้ ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นสำนักสายเวทที่มีชื่อเสียงมากคุณพันธรักษเดชมือปราบโจรชื่อดังก็เคยเป็นสิทธิ์ของสำนักสายเวทนี้แต่ผมไม่ได้จะมาเล่าถึงความคลังของวัดเขาอ้อแต่จะมาเล่าถึงตำนานลึกลับของวัดภูเขาทองที่อยู่ไม่ไกลกันที่กี้ได้เล่ามาอีกทีหนึง่งวัดภูเขาทองตั้งอยู่ติดกับเทศบาลบ้านปากคลอง หากใครนั่งรถไฟผ่านสถานีปากคลองจะเห็นภูเขาเหินปูนสูงโดดเด่นเหมือนจอมปลวกหากดูในแผนที่จะพบว่าเขาทองจะอยู่ตรงกับเขาอ้อในระนาบเหนือใต้แนวเดียวกันกีบอกว่าเธอได้ฟังเรื่องนี้มาจากแม่และแม่ก็ฟังมาจากทวดอีกทีหนึง่งซึ่งตอนนี้ทวดก็เสียชีวิตไปแล้ว เกี่ยวกับภูเขาลูกนี้ทวดเล่าให้แม่ของกี้ฟังว่าสมัยก่อนทวดปลูกบ้านสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านปากคลองเกา่าปากคลองที่ติดกับเขาทองเป็นปากคลองที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อมีทางรถไฟตัดผ่านในปี2453ทวดของกี้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนแถบนี้เป็นป่าหญ้าทุ่งนา และทางเกวียนป่ารกในสุดลูกหูลูกตาหาความเจริญไม่เจอและเมื่อก่อนนั้นเขาทองก็ไม่ได้ชื่อเขาทองอย่างในปัจจุบันแต่จะชื่อเขาอะไรเธอก็จำไม่ได้สมัยนั้นวัดเขาอ้อมีความเป็นเอกด้านศยศาสตร์จนทั้งเสือและตารวจและคนทั่วไป เดินทางมาฝากตัวเป็นสิทธิ์กันมากเพราะอยากหนังเหนียวแน่นอนตำรวจกับเสือย่อมไม่ถูกกันยิ่งพัทลุงนี่ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นถิ่นเสือเสือจึงมากไม่ต่างกับสุพรรณอ่างทองสิงห์บุรีของภาคกลางพวกตำรวจและคนสุจริตเมื่อเดินทางมาวัดเขาอ้อก็นอนอาศัยที่วัดเขาอ้อได้เลย เพราะไม่ต้องเกรงกลัวอะไรแต่พวกเสือสางนั้นจะไม่กล้านอนที่นั่นเพราะกลัวเจอตำรวจจะเข้าไปนอนที่บ้านป่าคลองเกา่าก็กลัวชาวบ้านจะไปแจ้งตำรวจพวกเสือนั้นได้ไปอาศัยถ้ำใหญ่ที่ตีนเขาทองเป็นที่พักที่อยู่ไกลชัว์เขียวหมากแหลกพอศพโอกาสปลอดโปร่งคนก็จะลอบเข้ามาฝากตัวขอของดี ที่วัดเขาอ้อ ก, กลับไปทวดของกี้บอกว่าชาวบ้านปากคลองยุคนั้นรู้ดีว่าที่ทาใหญ่ตีนเขาลูกนั้นมีพวกโจรไปอาศัยใช้เป็นที่หลับนอนอยู่แต่ก็ไม่มีใครจะไปแจ้งตำรวจเพราะไม่อยากมีภัยมาถึงตัวได้แต่บอกกล่าวบรรดาลูกหลานที่เป็นหญิงสาวไม่ให้เข้าไปใกล้เขาลูกนี้ เพราะอาจจะถูกพวกเสือฉุดออกไปได้ปี2453การเข้ามาของทางรถไฟที่ตัดผ่านพัทลุงด้วยขุนนิพัตเฉียดเข้ามาใกล้ๆเขาลูกนั้นนำความเจริญมาให้พวกโจรที่เคยอาศัยถ้าใหญ่ตีนเขาก็ไม่กล้ายอยู่เพราะกลัวทางการจะจับกลุ่มพร้อมๆกับการเข้ามาตั้งสํานักสงฆ์ของพระตุดงรูปหนึ่ง ยืดเอาธรมใหญ่ตีนเขาเป็นที่จำวัดและปฏิบัติธรรมจนเมื่อกองทัพญี่ปุ่นจู่โจมประเทศไทยเช้าตรู่ของวันที่8ทธันวาพศ .2484 โดยยกผลขึ้นบกพร้อมกันเจจุดมีจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นที่ไม่มีการประทะนอกกนั้นปะทะกับคนไทยทุกจุดคือจังหวัดประจวบชุมพร สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีเมื่อรัฐบาลไทยยอมให้ญี่ปุ่นผ่านแดนทหารญี่ปุ่นก็ใช้ทางรถไฟลำเลียงข้าวของอาวุธและสมบัติที่ยึดได้จากมารยาของอังกฤษขึ้นเหนือเพื่อไปสมทบกับกองกําลังที่จะบุกพมา่าว่ากันว่าญี่ปุ่นนั้นมีทองและเงิน เป็นหลายโบกี้รถไฟที่ยึดจากหัวเมืองมาลายูอันมั่งคั่งของอังกฤษก็ส่งผ่านเมืองพัทลุงอยู่เนืองๆจนถึงปี 2,488 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามพวกทหารที่อยู่นอกดินแดนตามพื้นที่ต่างๆก็ทำการฆ่าตัวตายไปเสีย ม, มากและหนึ่งในจำนวนนั้นมีทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นกลุ่มลำเลียงทองคำและอยู่ในเขตพัทลุงเมื่อรู้เช่นนั้นจึงเสาะหาสถานที่ที่จะเอาทองคำและสมบัติทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ก่อนจนมารู้ว่าที่ภูเขาใกล้สถานีปากคลองมีถ้ำใหญ่อยู่ตีนเขาเข้าออกไม่ลําบากจึงจัดการลำเลียงทองคำทั้งหมดเข้าไปไว้ในถ้ำก่อนจะระเบิดปิดปากถ้ำ พร้อมกับขังตัวเองให้กลายเป็นผีเฝ้าทรัพย์อยู่ในถ้ำนั้นอันเป็นที่มาของชื่อเขาทองทวดของกี้เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านที่รู้เห็นเหตุการณ์นี้ก็เอาไปบอกกล่าวต่อๆกันไปจนมีคนอยากรวยพยายามจะไปขุดหินที่ระเบิดปิดปากถ้ำอยู่แต่ก็ทำไม่ได้เพราะหินหนักเป็นตันๆประกอบกับสานักสงฆ์ เริ่มจเจริญกลายเป็นเขตวัดคนที่คิดจะเข้าไปขุดจึงทําได้ยากตัวของผมเองเคยไปปีนขึ้นเขาทองสมัยนานมาแล้วทางขึ้นด้านที่จะขึ้นไปจากเขตวัดชันมากๆแต่พอปีนได้ที่ตีนเขาจําได้ว่ามีร่องรอยเหมือนเป็นหินก้อนใหญ่หญแยกออกต่างหาจากตัวหินภูเขา เหมือนมีใครเอามากองๆไว้ตรงตรีนเขาแดกๆจะเป็นบันไดปูนประมาณไม่กี่สิบขั้นหลังจากนั้นจะมีเชือกผูกระหว่างต้นไม้ให้จับเวลาปีนขึ้นไปกีเล่าว่าในอดีตเคยมีคนพยายามอย่างมากที่จะขุดและหาทางเข้าไปในถ้าไม่ได้หากเข้าไปได้มันหมายถึงความร่ำรวยที่รออยู่แน่นอน แต่แม้จะพยายามเท่าไรก็ไม่สำเร็จเพราะหินมันหนักเกินไปแล้วสมัยนั้นชาวบ้านทั่วไปก็ไม่มีเครื่องมือที่ดีพอจะยกหินออกได้เคยมีการเอาร่างทรงและอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมในสมัยนั้นมานั่งทางในเพื่อหาทางเข้าแต่อาจารย์เหล่านั้นล้วนบอกว่าเข้าไปไม่ได้จเจ้าของเขาห่วงมาก เพลงกระแสจิตเข้าไปก็เจอผีทหารญี่ปุ่นยืนถือซันโมไรจังก้าอยู่ในถ้าพวกนั้นสังเวยตัวเองด้วยการขวานท้องตายกลายเป็นผีตายโหงวิญญาณแรงมากทางเข้ามีแต่ใครที่เข้าไปจะไม่มีโอกาสกลับออกมาอีกตลอดกาลพวกนักเลงอยากรวยแม้จะรู้แบบนั้นก็ไม่ได้กลัวเกรง เสาสีเหล่าอาจารย์และคนที่พามาส่งให้บอกทางเข้าให้ได้ท่านก็บอกว่าบนยอดเขามีปล่องเล็กๆที่พอจะปีนลงไปในถ้ำได้อยู่พอพากันปีนขึ้นไปบนยอดเขาก็เจอปล่องนั้นจริงๆผมเองก็มารู้เกี่ยวกับตำนานของทองภายหลังจากที่เคยไปปีนขึ้นเขาทองเมื่อนานมาแล้วบนนั้นของเขาทอง จะแยกออกเป็นสองยอดยอดหนึ่งหันไปทางวัดเขาอ้อหากใครนั่งรถสายพัทลุงทะเลน้อยจะเห็นยอดด้านนี้มีธงปักปลิวสวัยอยู่ส่วนอีกยอดจะแยกไปทางทิศใต้ที่ยอดทิศใต้นี้จะมี JD เจดีเล็กๆตั้งอยู่เขียนเอาไว้ที่ฐานว่าหากใครขึ้นมาสักอละเจดีนี้ทุกวันจะหายจากโรคภัยต่างๆ กี่เล่าต่อว่าพวกนักเลงเจอทางลงบนยอดเขาก็พากันปีนลงปล่องไปแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นคนกลุ่มนั้นกลับออกมาอีกเลยขาดว่าทาไมขาดอากาศตายก็คงจะไปเจออะไรที่สยดสยองข้างล่างแน่วันดีคืนดีก็มีคนเห็นแสงไฟเป็นดวงขาวๆลอยขึ้นมาจากเขาทอง ยิงสมัยทหารญี่ปุ่นระเบิดขังตัวเองตายอยู่ในถ้านั้นใหม่ๆมีชาวบ้านที่ทำไร่ทานาติดเขาทองเล่าว่าตอนนั้นตะวันโผล่เพลเดิมจะมืดตนก็เก็บอุปกรณ์ทํานาเตรียมตัวเดินกลับบ้านพอเดินแบกจอบแบกพล้าผ่านตรงจุดที่เคยเป็นปากถ้าซึ่งตอนนั้นถูกระเบิดหินลงมาปิดแล้ว มองขึ้นไปตรงจุดนั้นก็ขาสั่นเยี่ยวแทบราดเพราะเห็นร่างทหารญี่ปุ่นหลายร่างบางร่างนั่งบางร่างยืนที่จำได้ติดตาก็มีร่างหนึ่งมองมาทางตนหน้าตาแต่เหมือนถึงเหมือนตาจะทะลักออกมาข้างนอกเบายังไงอย่างนั้นสุดท้ายทนอยู่ไม่ได้ก็ทิ้งจอบพระ วิ่งกลับตัวปลิวมาบอกคนที่บ้านชวนคนอื่นกลับไปเป็นเพื่อนเพื่อเอาจอบพล้าก็ไม่มีใครเอาด้วยเพราะกลัวล้วนต่างบอกว่าไอ้พวกผีทหารญี่ปุ่นในถ้ำปิดตายนั้นแลที่ออกมาหลอกหลอนมันคงหวงสมบัติเลยออกมาหลอกไม่ให้มีใครเข้าใกล้สมบัติของมันมีเรื่องเล่าต่อกันอีกว่าเคยมีเนนองหนึ่งในว่าจบมาจากสำนักสายเขา อ, อ้อ มั่นใจตัวเองมีวิชาอาคมพอตัวอยากลองวิชาจะกำรราบผีญิปุ่นจึงได้ปีนขึ้นเขาทองและปีนลงปล่องปล่องเดียวกับที่กลุ่มนักเลงลงไปแล้วหายไปทั้งหมดนั่นแหละชาวบ้านที่ไปด้วยก็นั่งรออยู่ตั้งนานแล้วก็เหมือนกลุ่มนักเลงในนงนั้นปีนลงไปแล้วไม่กลับขึ้นมาอีกเลยเช่นกันตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีใครหานกล้าคิดจะเข้าไปเอาสมบัติที่ว่านั้นอีกเลยทุกวันนี้สมบัติทหารญี่ปุ่นที่เขาทองนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปเพราะได้กลายเป็นเขตของวัดและโรงเรียนอยากที่ใครจะเข้าไปคุดหาได้อีกพร้อมๆกับเรื่องราวที่เริ่มหายไปกับคนยุคนั้นที่ล้มหายตายจากไปกันหมดเด็กรุ่นใหม่ ที่พอจะรู้เรื่องนี้ก็มีไม่กี่คนและรับรู้มาจากคนรุ่นก่อนอีกทีจริงหรือไม่จริงก็ไม่อาจรู้ได้เพราะไม่รู้จะไปถามใครก็กลายเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกกันไปและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากกี้ทีหนึง่งถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสและกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ